บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไประยะแห่งกิตานุปัสนาสติปฐานคือการตั้งสติตามระลึกตูจิตในคู่แรกที่ว่าเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตมีราคะและจิตปราศจากราคะก็รู้ว่า ขณะนี้จิตเราปราศจากราคะนั้นอาการของราคะที่ปรากฏได้เกิดขึ้นยึดถือครอบครองจิตของบุคคลเป็นกิเลสประเภทที่มีมีโทษน้อยแต่ว่าจะสลัดไปได้ยากดังนั้นอาการของราคะจึงปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆ ในชั้นหยาบที่สุดความอยากได้ใคร่ดีต้องการเป็นใหญ่ครอบนาโลกทั้งสิ้นเป็นต้นแต่ในชั้นที่ละเมียดละไมขึ้นมาโดยลําดับนั้นแม้แต่ความกําหนัดความเพลิดเพลินอยู่ในสุขเวทนาอยู่ในความสงบอยู่ในปีติหรือแม้แต่ด้วยผลแห่งรูปฌานก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของราคะนั่นเอง ยังทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวใจก่อให้เกิดเป็นความกำหนัดด้วยอนาจความเพลิดเพลินในอารมณ์ดอกนั้นและนำบุคคลไปสู่กระแสะแห่งวังผลคือวัตะตลอดถึงการบุนบลอยู่ในอารมณ์นั้นๆอาการของราคะที่ปรากฏต่อจิตจึงมีลักษณะคล้ายๆกับโรคชนิดเดียวกัน แต่แสดงอาการออกมาในลักษณะที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันจนทำให้บางครั้งบางคราวก็หลงในตัวสมมติฐานของโรคว่าเป็นอะไรกันแน่ตอนนั้นจึงท่านจึงแสดงลักษณะของราคะที่เกิดขึ้นภายในจิตไว้ในรูปแบบต่างๆเช่นมีความกำนัดมีความยินดีในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ใช้คําบาลีวรติคือความยินดีความยินดีในชั้นนี้อาจจะเป็นรูปธรรมก็ได้อาจจะเป็นนามธรรมก็ได้แต่ถ้ายังมีความยินดีมีความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาการของราคะจะหยาบหรือจะละเอียดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุที่ใจไปยินดี ลักษณะที่ทรงกันขํากับอาการเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าไปทรงกับอาการของกิเลสสายอื่นหรือลักษณะอื่นก็ชื่อว่าเป็นสภาพปิดที่ปราศจากราคะในขณะนั้นนั้นการปราศจากราคะจึงมีได้เป็นขณะและมีได้ในช่วงที่ยาว ส่วนในช่วงที่ตัดกระแสของราคาได้เด็ดขาดนั้ น, เ, นเรื่องของพระอริยบุคคลต้องระดับอนาคามีขึ้นไปพระอริยบุคคลสองระดับข้างต้นนั้นก็ยังตัดสายนี้ไม่ขาดเนื่องจากมีลักษณะเป็นยางเหนียวขอให้เกิดความเยื่อายอลายดังกล่าวแล้วอาการต่อไปออกมาในรูปของความพอใจ เป็นความพอใจที่เกิดจากความเหนียวนึกถึงอารมณ์ในอดีตหรือปรุงแต่งขึ้นโดยคาดหมายว่าตนจะประสบอารมณ์นั้นในอนาคตหรือบางครั้งบางคราวเป็นการพอใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและนมอารมณ์เหล่านั้นมาเหนียวนึกด้วยอำนาจของความพอใจในอารมณ์เช่นนั้นที่ท่านชายคาบาลีประชันทะ ก็ยังคงเป็นอาการของราคะอยู่นั่นเองจะรุนแรงหรือมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของฉันทะที่เกิดขึ้นสภาพจิตที่ตรงกันข้ามกับอาการเช่นนี้ซึ่งมีลักษณะดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> ก็หมายรู้ว่าในขณะนั้นจิตยังจิตปราศจากราคะในรูปในลักษณะอย่างนั้น บางครั้งบางคราวก่อให้เกิดความสายหรือความสั้นไปในอารมณ์โน้นอารมณ์นี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากมีความกำหนัดมีความยินดีมีความพอใจอยู่ในอารมณ์มากก็ทําให้จิตของบุคคล น, นั้นสายไปสิ่งนั้นก็พอใจสิ่งนี้ก็พอใจสิ่งโน้นก็พอใจลักษณะเหล่านี้ถ้าดูในเชิงรูปธรรม ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วมีประสาทสัมผัสส่วนรูปประกันเข้าเป็นตัวประกอบในการแสดงอาการของจิตก็เจนได้อย่างชัดเจนว่าราคาเมื่อเกิดขึ้นแล้วบังคับจิตให้ส่ายไปในอารม์นั้ น, น, นข้อนี้พึงดูในการไปซื้อหาของในตลาดหรือไปดูการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดถึงดูในทัศการต่างๆและแม้แต่ทัศนาจรในสถานที่ต่างๆก็จะพบว่ามีแรงปักดันเกิดขึ้นภายในจิตทำให้สายได้อยากดูสิ่งนั้นสิ่งนี้หากมีการโฆษณารบเาาด้วยแล้วใจก็จะสายกันไปใหญ่บางคราวบางคราวก็ตัดสินใจลงไปไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนต้องการอย่างแท้จริง นี่คือลักษณะของราคะที่ปรากฏตัวออกมาในรูปหนึ่งปัญยามใดก็ตามที่จิตใจของบุคคลไม่มีอาการสายเช่นนั้นคือไม่สายไปนารมที่น่าใคร่นัาปรารถนาหน้าพอใจต่างๆแต่ก็อยู่ด้วยกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันของตนอาการเช่นนั้นเพื่เข้าใจว่าจิตปราศจากราคะในขณะนั้น แตการปราศจากราคาของจิตนั้นในชั้นสามัญทั่วๆไปแล้วจะมีอยู่ได้ไม่นานเมื่อมีวัตถุมากระตุ้นก็เกิดราคาแต่ปรากฏออกมาในรูปลักษณะอย่างอื่นก็ได้เมื่อจิตสายไปมากๆจะปรากฏอาการขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่งคือดิ้นดิ้นดนทะเยอะทะยานอยาก ในอารมณ์เหลอดนั้นอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหลอดน้นจนบางครั้งบางคราวก็ทํางานประสานสัมพันธ์กันแต่คนลักษณะที่จริงก็เกิดขึ้นมาจากต้นตอของราคาดเดียวกันคือจะมีการกระซิบกระซาบใจบอกให้ทราบว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นนา่าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นใจก็จะดิ้นพร้อมโดยอาการสายต่างๆแล้ว ซึ่งบาลีท่าใช้คำวาตัณหาสภาพที่ตรงกันข้ามคืออาจารย์อาการไม่สายไม่ดิ้นของจิตที่เป็นไปในวัตถุกรามซึ่งตนกำหนดว่าน่าคลานะ่าปรารถนาน่ายินดีก็ได้ชื่อว่าเป็นวิราคะสมบัติขณะนั้ น, น, นคือปราศจากราคะขณะนั้นและจิตที่ปราศจากราคะนั้นเห็นว่าจุดสูงสุดแล้วก็คือปรมธรรม อย่างที่ทรงแสดงว่าวิราโคเศธโทรธรรมานังวิราคะคืออาาการที่จิตปราศจากกำหนัดเป็นธรรมที่ประเสริฐสุดแห่งธรรมทั้งหลายพระพุทธธรรมดข้อ น, นี้ชี้ไปที่จุดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าได้ยินได้ฟังโดยไม่ได้คิดพินิษพิจารณาแล้วก็ <c oughs> น่าจะเกิดความสงสัยว่า วิราคะนั้นคือจิตที่ปราศจากความกำหนัดเท่านั้นเองแต่ทำไมจึงกลายเป็นยอดของธรรมความโกรธกับความหลงหายไปหนแต่เมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาลงไปในจุดเดียวกันนั่นเองก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการปรากฏของจิตเลดเท่านั้นเอง เพราะในขณะที่บุคคลมีราคะคือกำหนัดในอารมณอย่างใดอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นเสียไปก็เกิดความขับแค้นใจอันเป็นอาการของโทสะคนมาแย่งชิงมาทำลายสิ่ง น, น, นั้นไปก็เกิดโทสะที่ชัดเจนขึ้นเพราะอาการเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นด้วยแรงดันของโมหะที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ปรากฏอาการต่างกันเท่านั้นเอง นนจิตของบุคคลเมื่อดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆแล้วพอเกิดกําหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของเราขึ้นมาหรือบางครั้งบางคราวก็ยึดถือยึดครองว่าเป็นของเราแล้วก็จะปรากฏอาการอีกอย่างหนึ่งคือความยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นตามรูปลักษณะของราคะจิตที่เกิดขึ้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนจะมีความยึดติดไปเรื่อยๆก็ ข, ขึ้นอยู่กับว่าจิตไปกําหนดหมายอารมณ์อะไรว่าน่าคราน่าปรารถนาหน้าพอใจเมื่อได้ถือครองว่าเป็นของเราแล้วก็จะยึดติดในเรื่องเหล่านั้นแต่จะไม่หยุดอยู่ในเพียงจุดใดจุดหนึ่งจะค่อยคว้ากันต่อไป ไม่มีคำ ว, ว่าเต็มคำ ว, ว่าอิ่มคำ ว, ว่าพอคำ ว, ว่าจุดในสภาพจิตที่ประกอบด้วยราคะเป็นเช่นเดียวกับมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อบัณฑิตไม่อิ่มด้วยธรรมจิตที่ประกอบด้วยราคะไม่อิ่มด้วยแรงปรารถนานี้เป็นลักษณะที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งและบุคคลดรงนั้น อาการต่อไปก็คืออาการอย่างหนึ่งของตัณหาที่ท่านใช้คำว่าโปโนพภาวิกาคือจะก่อให้เกิดความปรารถนาที่สืบเนื่องก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องข้อนี้พึงสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้คุณค่าความดีงามความอริยอร่อยของสิ่งเหล่านั้น การสัมผัสในคราวแรกจิตจะอยู่ในท่ำกลางกับความเคลือบแคลงสงสัยคือมีอาการของโมหะแต่ออกมาในรูปของเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรสมมติว่ามีอาหารสักอย่างหนึ่งในชั้นแรกจะเป็นโมหะไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าอาหารนั้นดีหรือไม่ดีอร่อยหรือไม่อร่อยหรือแม้แต่รับประทานได้หรือรับประทานไม่ได้ แต่พรับประทานได้ครับไปแล้วถ้าเกิดชอบใจเกิดพอใจในรสก็จะอยากรับประทานในสิ่งเหล่านั้นเองที่ต่อเนื่องกันสมมติว่าเป็นฝีมือของแม่ครัวคนใดคนหนึ่งที่ทําอาหารเหล่านั้นมาแต่ลิ้มได้ชิมรสอาหารเหล่านั้นก็อยากรับประทานอาหารเหล่านั้นในคราวอื่นอือีกแต่ในขณะเดียวกัน ก, ก็เกิด ความสงสัยขึ้นมาภายในใจเพราะไอ้แก่ทาอย่างนี้อร่อยอย่างอื่นทําอร่อยหรือเปล่าพอสงสัยก็อยากจะทดลองชิมรสอาหารในเรื่องเราอื่นแล้วจะอยากในจุดนั้นแล้วจะเปลี่ยนเกิดความสงสัยตั้งขึ้นมาอีกว <c oughs> ่าอย่างอื่นแก่ทาดีหรือเปล่าแล้วก็ควาอีกพอคว้าของหวานไปพอของข่าวไปพอสมควรจะไปคว้าของหวานต่อไป ก็จะคว้าไปในจุดเหล่านั้นนี่เป็นลักษณะอาการของจิตที่เป็นโปรโนโปวิกามก็จะก่อให้เกิดความคล้ายความปรารถนาในสิ่งนั้นและสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งนั้นตลอดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็มีอาการที่ออกจากพรุหลงผลรัต่างใจมากมีการประดับมีการตกแต่งมีการปรุงแต่งกันเป็นนั้นมาก อีกประการหนึ่งก็คือเป็นตัวการที่จะนําไปสู่พบคือความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปในแง่ของสังสารวัฏอาการของจิตที่เป็นเช่นนี้จึงมีอยู่ได้ทั้งสองช่วงคือทั้งช่วงสั้นๆและช่วงที่ยาวตลอดถึงช่วงที่ยาวนานหาจุดจบไม่ได้ศาเท่าที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอริยมรรคทั้ง8ปประการ นี่ก็คืออาการที่เรียกว่าโอนโนปปิกาอีกประการหนึ่งก็คือให้เกิดก่อให้เกิดการคิดคำนึงถึงเป็นการส่ายไปของจิตที่กําหนดหมายว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นที่พอใจของตนซึ่งจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปท่านจะสรุปเป็นสามกาน อรมที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในชั้นละเอียดท่านจึงจำแนกออกไปถึงร0 8ยประการที่เรียกว่าตัญหาร0 8ตลองวิเคราะห์จิตของตัวเองให้ชัดลงไปในแต่ละขณะก็จะเห็นว่าอาการของจิตเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นจริงๆบางเวลาบางโอกาสไปประรพถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงผลทพะ ที่ผ่านมาตั้งนานแล้วในอดีตจะมีความกําหนัดความเพลิดเพลินจนบางครั้งบางคราวรุนแรงทําให้บุคคลนั้นฝังอยู่กับอดีตไม่ยอมเผชิญหน้าอะไรที่เป็นปัจจุบันพูดกันไปได้หน่อยเดียวก็ย้อนกลับเข้าสู่อดีตนี่เรียกว่าจมอยู่กับอดีตฝอยควัญอยู่กับอดีต อดีตที่ชวนแกการไขค ว, วามนั้นจะต้องเป็นอดีตที่ทรงใช้คำสามคำอยู่เสมอเพราะน่าใกล้น้าปรารถนาน่าพอใจแต่บางครั้งอดีตไม่ให้ความหวังไม่ให้ความฝันไม่ให้ความชื่นชมยินดีแก่บุคคล น, นั้นก็จะมาเพลิดเพลินกำหนัดอยู่ที่ปัจจุบันตึงจะออกมาในรูปเสียงกีหนอด b u d d h เช่นเดียวกัน แต่ถ้าปัจจุบันมีลักษณะขับแค้นสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่บุคคลใจก็จะคิดคำหนึ่งมุ่งมา่ปรารถนาไขวยคว้าอนาคตข้อนี้พึงสังเกตได้ว่าคนที่เสี่ยงโชคด้วยวิธีการต่างๆนั้นเพราะปัจจุบันมีลักษณะขับแค้นไม่สมปรารถนาในสิ่งที่ตนปรารถนา ว่าจะออกมาเป็นรูปของสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบหรืออะไรก็ตามในแดลที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลบ้างใจของบุคคลซึ่งไม่พอใจในปัจจุบันก็ตั้งความหวังในอนา ค, คตแต่หาทางอะไรไม่ได้ที่จะได้สุขสมปรารถนาเลยก็ไปคว้าสิ่ ง, งนั้นแล้วหลังจากซื้อสลากกินแบ่งแล้วก็ต้องสร้างวิมานนอนฝันอยู่ตาบเท่าที่สลากจะออก ต่างคนต่างนึกรางวัลที่หนึ่งด้วยกันทุกคนรเราเสร็จแล้วก็ต้องหาใหม่เพื่อสร้างความหวังใหม่ขึ้นมาชีวิตมันก็หมุนวนอยู่ในลักษณะอย่างนี้นี่คือการสร้างฉากขึ้นมาเองเพื่อสเพื่อให้จิตได้คิดคํานึงในลักษณะที่เพลิดเพลินเพราะอาดีตก็ไม่มีอะไรน่าเพลิดเพลินปัจจุบันทุกทรมานจึงต้องสร้างอะไรขึ้นมาให้เพลิดเพลินเป็นการหล่อเลี้ยงใจใจจะได้ฟึ่งพํานัก จะได้อิงอาศัยบรรเทาความทุกข์ทรมานลงไปได้แม้ด้วยความคิดในขณะนั้นแต่นั้นสภาพจิตเช่นนี้ตราบใดที่ราคะยังเป็นไปอย่างรุนแรงกิจกรรมเหล่านี้จึงไม่มีทางที่จะเลิกได้แต่ถ้าหากว่าร า, ราคะได้ลดลงอยู่ในจุดที่จะใช้เหตุผลได้บุคคลจะมีเหตุผลในการดารงชีวิตมากยิ่งขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ถึงแม้จะมีก็อยู่ไม่ได้การแก้ปัญหาในเรื่องนี้จึงต้องแก้ที่จิตใจของคนไม่ใช่ไปแก้ที่การทำลายสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้ายังอยากได้อยู่ไม่มีอะไรนั่งอยู่จิ้มทางก็นั่งทายเลขทายรถก็ยังได้คนจะคลอดลูกก็ทายเป็นผู้หญิงผู้ชายได้เป็นต้นพอใจยังปรารถนายังต้องการเอาชนะยังต้องได้ประโยชน์จากกติยูอจากกนาคยู นี่ที่จริงก็เป็นเรื่องของความคิดคำหนึงที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นความคิดคำหนึงมาจากแรงผลักดันของกิเลสประเภทราคะนั่นเองและบางครั้งบางคราวจนถึงก็สายไปไปได้ไกลคือการปรุงแต่งประทนาไคว้าสุขสมบัติต่างๆวันนี้เพิงสังเกตว่ากิจกรรมในลักษณะที่ มีอาการยั่วยวนก็อให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าในชั้นหยาบหรือชั้นละเอียดก็ตามจะเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้ดำเนินกิจการเหล่านั้นเป็นอันมากพระการพระมีลักษณะสนองตอบแรงปรารถนาที่เกิดขึ้นภายในใจเพราะการวิเคราะห์จิตดูจิตในแต่ละขณะ จึงดูเวลานี้จิตคิดคำหนึ่งไปในเรื่องอะไรถ้าคิดคำหนึ่งในสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัคิดคำหนึ่งในแนวใดในแง่ใดถ้าเป็นการคิดคำหนึง่งด้วยความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินด้วยความยินดีไม่ว่าจะยินดีในการใดในรูปใดก็ตามหรือ ด, ด้วยต้นตอของความคิดในแนวไหนก็ตาม ถ้ามีอาการของความกำลัดความเพลิดเพลิอนอยู่ก็ชื่อว่าในขณะนั้นจิตยังมีราคะอยู่แต่ลักษณะที่ตรงกันข้ามที่จริงอาการตรงกันข้ามในจุดนี้ก็มีการคิดคำนึงเหมือนกันเพราะจิตนั้นมีการคิดอารมณ์เป็นลักษณะคือเป็นลักษณะของจิตจุดแล้วแต่จะคิดในแนวที่ก่อให้เกิดความสงบ หรืก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการเรียนเรื่องเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่นำมาใช้จะใช้ในแนวอะไรจะเจ้าเครื่องมือเครื่องไม้อะไรมาใช้กับเรื่องเหล่านั้นอารมณ์อะไรที่ก่อให้เกิดความกาหนัด รักใครยินดีปรารถนาเพราะราคะแกเกิดขึ้นยอมใจไม่สามารถจะไปปรงใจวินิจฉัยหรือมองให้ทะลุถึงแก่นแท้ของเรื่องเหล่านั้นได้ว่าเป็นอย่างไรโดยสภาพที่แท้จริงเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดคำหนึ่งก็คิดคำหนึ่งในถึงนั้นเองสิ่งอะไรสิ่งที่เคยกำหนดรักใคร่ยินดีเคยกำหนดหมายว่าน่าใครานาปรารถนาน้าพอใจ แต่มามองอีกแนวหนึ่งอีกแง่หนึ่งให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากำนัดรักไข่หยินดีแต่การจะมองเห็นได้เช่นนี้จำเป็นจะต้องมีจิตใจเป็นพื้นฐานของความสงบอยู่หรือมีความสงบเป็นพื้นฐานใจอยู่ถ้าเรื่องนั้นละเอียดมากใจจะต้องสงบมากถ้าละเอียดน้อยหน่อยใจสงบ เพียงเล็กน้อยก็พอจะคิดได้พอเห็นได้อย่างในกรณีที่เป็นรูปธรรมพวกกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นถึงแม้จะมีกำลังของความสงบไม่มากนักก็พอจะเข้าใจอะไรได้แต่พอมาถึงชั้นจิตที่แกเป็นเป็นไปได้เร็วเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอย่างที่ทรงชช้คำว่าขณะเป็นไปพลันนั้น การจะดูให้เห็นว่าขณะนี้เป็นอะไรถ้ากำลังของสติสัมปชัญญะความเพียรกยะยอนก็จะมองไม่เห็นอาการของแก่บางครั้งอาจจะหลงทางจิตเข้าใจว่าสิ่งนี้คือธรรมะสิ่งนี้คือสภาพจิตที่ปราศจากราคเะจนมีอาการเ อ, อิบอิ่มยินดีอยู่ในสุขเวทนาที่ปรากฏ แล้วก็หยุดแค่นั้นไม่ยอมเดินต่อไปโดยเข้าใจว่าจิตของเราขณะนี้ปราศจากราคะแล้วแต่แท้จริงนั้นก็คือเป็นอาการของราคะอีกรูปหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งเป็นราคะในชั้นประณิตท น, นั้นเองนั่นการดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเชื่อโดยพื้นฐานของราคะหรือของโลภะก็ตาม แกจะแสดงอาการหลากหลายออกไปโดยในยะที่กล่าวแล้วการลึกรู้ทันจิตในแต่ละขณะสติสำปัญญาาความเพียนจะต้องทำงานประสานสัมพันธ์กันแล้วก็มองให้เห็นไม่ว่าจะเป็นความยินดีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความปรุงแต่งที่จะให้เกิดความมีสืบเนื่องไปความยึดติดความดิน้ดนดลทยานจัด ความคิดคำหนึ่งความสายไปของจิตเป็นตน้นตัวเป็นลักษณะเดียวกันมีเชื้อสายมีพื้นฐานอะไรอย่างเดียวกันแต่ปรากฏอาการแตกต่างกันตรง น, นี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของราคะที่เกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้ น, น, นเท่านั้นการมองจิตทั้งสองด้าน คือด้านที่เป็นราคะที่มีอาการต่างๆดังกล่าวแล้วเมื่อดูด้านที่เป็นวิราคะสมบพในชั้นนี้ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นก็คือดูลักษณะตรงกันข้ามถ้าตรงกันข้ามกับอาการของราคะก็ชื่อว่าเป็นวิราคะในชั้นหนึ่งแต่วิราคะในชั้นหนึ่งนั้นเป็นอีกชั้นที่สองนั้นเป็นเรื่องของความส ง, งบด้วยอํานาจฌานได้แก่ส ง, งบนิวัฏฏธรรม ตอราคาจิตในชั้นหนึ่งในชั้นที่สองจึงเป็นเรื่องของความสงบจากการมาชั้นที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติด้วยกําลังแห่งสมาธิเท่านั้นพอมาถึงชั้นของการเจริญธรรมะที่สูงขึ้นไปเราจะพบว่าราคะนั้นเป็นการ ส, สยบแก่ไว้เท่านั้นในชั้นของสมาธิพอไปถึงเจริญวิปัสสนา น่าจะสงบไปแล้วแต่แกจะไม่สงบแกจะปรากฏตัวออกมาในรูปของความสุขรูปของความเพลิดเพลินรูปของปีจิปรากฏภายในจิตของบุคคลตรงนี้ถ้าปัญญาอ่อนจะแยกแกไม่ออกและจะกำหนัดยึดติดอยู่ในสุขในปีติเหล่านั้นแต่ถ้าปัญญาปรากฏชัดเจนขึ้น ก็จะเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าอันนี้ก็ที่จริงก็เป็นอาการข้งราคาเหมือนกันท่นี้เป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นแสงสว่างระดับหนึ่งทำให้เราเห็นวัตถุขนาดจใหญ่ได้แต่แสงสว่างที่มีปริมาณมากหรือแสงสว่างที่มีการจัดเข้ามีเครื่องหมายเครื่องมือเข้ามาประกอบทําให้มองเห็นแม้แต่สิ่งที่ละเอียดนอกวิสัยของจักษุ คือตาธรรมดามองไม่เห็นแต่จะได้เห็นด้วยเครื่องมา้าเครื่องมือเหล่านั้นด้วยแสงสว่างระดับนั้นถึงแม้ด้วยแว่นขยายเป็นต้นจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นั้นการเพ่งพินิจพิจารณาดูจิตทั้งสองด้านคือมีราคะหรือปราศจากราคาจึงจะต้องจึงต้องเป็นการมองเพื่อให้จิตสงบอยู่กับจิตในแต่ละขณะจะเป็นอะไรก็เรื่องของแก่นชั้นหนึ่ง ชั้นที่ 2, สองถ้าจิตมีราคะก็พยายามบรรเทาความรุนแรงของความคิดเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันจากจุดที่พิจารณาเห็นจิตในช่วงในทั้งสองช่วงดังกร่านั้นเองจะทำให้บุคคลเข้าใจจิตว่าแท้จริงจิตแล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่คงที่เป็นสภาวะที่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไร ก็จะเห็นความจริงตามนัยยะของวิปัสสนากรรมฐานประจักษ์ชัดขึ้นภายในจิตของตนในแต่ละขณะในแต่ละขณะซึ่งธรรมะทั้งสามประการได้แก่สติสัมปชัญญะและความเพียรจะต้องมีปริมาณสูงจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตได้โดยนัยยะที่กลับแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป